ขึ้นมาเรืนะ่อยๆเราบางคนก็เป็นเราไม่อยากจะให้คือคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเราไม่อยากคิดถึงหรืออะไรที่มันเป็นมันเหมือนว่ามันเป็นทุร ashtra ใจใจเราเราก็ไม่อยากแค่ให้สิ่งเหลนะ่านั้นมันมาผุดในใจเรา บรรดามนุษย์ทั้งหลายแก้ปัญหากันแบบนี้อะไรตนเองไม่ชอบก็พยายามจะลืมพยายามจะหนีพยายามจะหลบไม่อยากไปเกี่ยวข้องกันอีกต่อไปก็ใช้วิธีแบบทับถมไปหาสิ่งใหม่มารกรกลือที่บอกว่าเอาสุขใหม่ทับถมสุกเก่าทุกใหม่ทับถมทุกเก่าเี้เรื่องอดีตก็พยายามอย่าคิดถึงมัน คิดถึงมาเราก็ถูกสอนกันอะไรที่มันผ่านมาแล้วมันผ่านผ่านไปและที่บางอย่างมันพอใจมันอ่อนแอขึ้นมามันคู้ขึ้นมาเต็มแปลว่าแปลว่าเราไม่เคยใช้สติสัพชัญญะใช้ปัญญาไปชําระไปกําหนดรอบรู้ปัญหาและอุปสรรคันไม่ไปเผชิญกับมันเป็นการแก้ปัญหาแบบหลบและหลีกตลอด วิธีการแบบนี้เป็นวิธีการผิดหลักคำสอนอย่างมากเราไม่วิธีการถูกคำสอนคือการฝึกความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นฝึกความแกล้้เกิดขึ้นฝึกสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นจะฝึกความอดทนความเข้มแข็งเกิดขึ้นเมื่อปัญญามีกำลังเพียงพอสติมีกาลังเพียงพอใช้สติไปดึงเรื่องนั้นเอาปัญญา ม, มาสอบสวนมวิจัย ให้เห็นทั้งคุณทั้งโทษและทางออกของมันตลอดทุกเรื่องจนกลายว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่มีอิทธิพลกระใจเราเลยดูไม่ต่างกันเลยเช่นคนที่เราคนที่เรารักมากคนที่เรารักปานกลางคนที่เราเฉยๆคนที่เราเกลียดจนใจเราวางใจเป็นกลางได้สมรตาได้ความสมดุลกับคนทั้งทุกกลุ่มทุกจาพวกมันไม่เห็นอะไรน่าเกียด น, น่ากลัวอะไรเลยมันก็เป็นเคียนแค่สัตว์และสังขาร ไม่ว่าจะคิดถึงช้างคิดถึงแมลงหรือคิดถึงเสือหรือว่าคิดถึงเรื่องราวต่างๆถูกปุสสายถูกทําร้ายไฟไหม้แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดกับเรื่องของการว่าโลกสดสวยงดงามบรรยากาศลื่นลมน้ำตกสดสวยมันก็เรื่องเดียวกันแท้จริงมันก็คือเรื่องเดียวกัน ว่าอันหนึ่งมีอิทธิพลต่อโทสะอีกอันหนึ่งมีอิทธิพลต่อโลภะสรุปก็คือกิเลสครอบงำทั้งคู่มันไม่ต่างอะไรกันเลยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรควรจะหลบไปควรที่จะออกจากมันทั้งนั้นควรจะน้อมันก็คือกามอ่ะมันก็คือกามอ่ะใช่ไหมเราควรจะเบื่อหน่ายกับมันทั้งนั้นแต่แต่ก่อนจะเบื่อหน่ายมันมันต้องไปใช้ปัญญาก็ไปรู้ ต้องใช้สติเข้าไปดึงเรื่องนั้นมามาวิจัยให้เห็นความจริงทั้งหมดว่า ม, ม, มันมีคุณแค่ไหนมันมีโทษแค่ไหนแล้วควรเกี่ยวข้องกับมันด้วยสติสัพยัญญาวางท่าทีทางใจอย่างไรใช้ปัญญาไปวิจัยหเห็นรละเอียดอ่อนอันนี้เขาเรียกวนทางดาเดนินควรจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งภายในภายนอกอย่างละเอียดเลีวประณีตไกละใกล้เนี่ยมันควรชําระให้เห็นหมดจดแบบนี้อันนี้เป็นทาง ด, ดําเนินแต่มนุษย์มันไม่เห็น ใช้วิธีกันยังไงหลบไปก่อนหลีกไปก่อนหนีไปก่อนก็ใช้วิธีกรบใช้สุกใหม่ทับถมสุกเก่าทุกใหม่ทับถมสุกเก่ามันก็ซับซ้อนในสังสารวัตรเนี่ยใช้วิธีทับแบบนี้จนมันหาปมหาเงื่อนมันไม่เจอมันก็สลับซับซ้อนอย่างเงี้ยไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วใช่ไหมมันจะรู้จะแก้ยังไงแล้วนี่คือวิธีที่ผิดพลาดอย่างมากเลยนะ มองเห็นนี่ยังเนอ่ะิดผ้ดาอย่างมากเลยกลัวแล้วกันไม่กล้าเผชิญ น, นั่นจะไปะกล้าได้ไงเพราะสติสัพพัญญาไม่เกิเขาใช้สติสัพชัญญายาไ ป, ปเผชิญไม่ใช้ไม่ได้ใช้ตระหนัมานาั้นทีทีไ ป, ปเผชิญใช่ไหมหรอมันก็ไม่เห็นวันจริจริงไหมล่ะวันนี้เห็นจ้จะแต่มันเห็นเองได้แม้จะมีสติของพัช ญ, ญายาถ้าไม่มีกาลยานั้นนี่ มีอาจารย์ชี้ให้เห็นวิธีการใช่มันต้องดึงเพราะว่าเดิมที่ทอาจารย์เคยบอกว่าเห็นล้วมันเหมือนกันเชว่าที่เฟังครั้งแรกเราคิดว่าเราจะทำได้อย่างไรที น, นี้มันไม่ได้ไปทำตรงนั้นแต่เราทำอย่ากกื่นมาแล้ววันหนึ่งมันเห็น เหมือนเห็นแปกกล้วยก็เห็นหมาข้างถนนความการุณามันได้เท่ากัน mm hmm. เพียงแต่เราเข้าใจกับการปฏิบัติเท่านั้นเอง mm hmm. ที่มันต่างกัน mm hmm. แต่ความเข้าใจแล้วมันไม่ผิดกัน mm hmm. แล้วสุดกับลูกว่าถ้าเราเห็นลูกไอ้ความที่เราเคยเห็นว่าเราจะรักลูกเรามากกว่าคนนะเพราะมันเป็นอย่างนั้นมา แต่พอมันเห็นไปเรื่อยๆจะเห็นว่าได้ความกรุณาลูกเราก็ไม่ต่างกับคนงานจะบอกว่าเรียนหนังสือมาความเข้าใจกิเลสก็ไม่ต่างมันเริ่มเห็นแล้วเนี่ยแต่เราควรเรารู้วิธีปฏิบัติเท่นั้มั น, มนเป็นนะามันเป็นหน้าที่ในการที่เราต้องปฏิบัติแบบนี้เพราะอะไรต่อแต่ละคนไม่เหมือน ใหมออ้มองออกเลยออกยังไงมองออกเลยมองออกยังไงที่ว่าที่ว่ามองออกมองออกเลยยิงไม่ออกค่ะ อ๋องั้นก็เลยมองไม่ออกมองไม่ออกถ้ามองออกก็ต้องคิดออกว<อ>่าก่อนเราแก้ปัญหาแบบนี้แล้วท่านเจอปัญหาชีวิตที่ผ่านมาต้องแก้เังไงแก้ไปเชิญ ม, มนันหรือหลบมันทันไหนพอไปเชิญไหวแล้วก็ไปเชิญแต่การที่เราไปไปเชิญไปเกี่ยวข้องกับมันใช่แล้วไปไปเชิญสัญชาติยาณ สัญชาตญาณไปเฉยเพราะคิดว่าเราสู้มันได้แล้วก็ประชฉยสู้ไม่ได้ก็หลบในพระเจ้าสัญชาตญาณของเสด็จฉานไม่ใช่แบบนี้แล้วเราก็ใช้สัญชาตญาณของความเป็นนั่นแหละของสัญชาตญาณที่ผ่านมาของศาสนาพันธุ์ที่ดีไปเชิญกับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมใช่มหมจะไปเฉยทุกปัญหาแก้ปัญหาแล้วก็แก้กันแบบนี้มันเป็นการแก้ที่ไหนมันเป็นงานผูกผมผูกผม ต้นเงื่อนซับซ้อนยุ่งยากยืดเยื้อหรือเรียกว่าทําให้สังสารวัฏยืดเยื้อยาวนานเขาก็เรียกอันนี้มันปั่นปั่นตัวเองมันจมอยู่นั่นแหละแล้วมันก็ออกจากปัญหาได้ไหมลองออกไม่ได้อาศัยว่าเราอาจจะปลูกบ้านตรงนี้เราเบื่อในชุมชนตรงนี้เราก็ย้ายไปปลูกที่อื่นใช่ไหมเราก็พยายาม อย่า ก, กลับมาอยู่ดูที่นี่อีกมันรุนวาดหรือสังคมเนี้ยไม่น่าอยู่ก็ย้ายสังคมไปก็ไปอย่างเนี้ยทีนี้มันมันไม่ได้เลือกมันไม่เลือกในสภาพสังคมที่ดีที่สเพราะศาสนามาในมาณฑิตีเป็นตัวเลือกมันไม่ได้ป็นสติปัญญาเป็นตัวเลือกถ้าสติปัญญาเป็นตัวเลือกมันจะเลือกเข้าหากัลยาณมิตร อันนี้ไม่ใช่มันเรียกว่าเราชอบแบบนี้แล้วก็ไปเข้าไป <c oughs> เราแก้ป็นหาแบบนี้เหมือนคำว่าวันนี้เหนื่อยมากขอพักวันนี้ไม่ได้ทำงานหรอกวันนี้พัก ไปเที่ยวห้าวันนี้พักไปเที่ยวน้ำตก แ, ตแม้คาว่าพักมันก็ยังไม่เข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรแต่ที่จริงก็คือเราเบื่อกับกิจกรรมแบบนี้แล้วก็ย้ายกิจกรรมชีวิตแต่มันพักจริงไหมพักมันมีสองวิธีหนึ่งพักการนอนนั่นลงสู่ภาวนากับพักการอยู่ในสมาธิสมาธิมันคือการพัก กการลงผวังเป็นการพักถ้ามันฝึกสมาธิไม่ได้ก็ไปนอนเสียแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สนเสริมการนอนนะเพราะมันทำไงละมันฝึกไม่ได้ก็ไปจมอยู่กับทุกข์กในผวังไปแต่การพักแบบผู้รู้ทั้งหลายเขาพักจากการเข้าอยู่ในสมาธิแล้วใช้สมาธิเป็นฐานเดินปัญญายาณเพื่อเป็นอิสระ เสรีภาพจะได้เ ป, เป็นเป็นท่านในสังสารวัฏใช่ไหมล่ะแต่คนทั่วทั่ ว, วไปเนี่ยพักของเขาก็ไปนีนะเปลี่ยนนั้นเปลี่ยนกิจกรรมแต่มันไม่ได้พักหรอกและพักอีกอย่างหนึ่งก็คือนอนไปจมอยู่ในทุกภวังไปทุกขสับนี่ก็ไปจมอยู่กับทุกต่อไปอย่เป็นทุกมันก็ไปนอนอนี้แหะแต่มันไม่รู้จะทํำยังไง ออกจากพวังแล้วมันฟุ้งออกจากพวังมันก็มันก็เป็นกิเลดใช่ไหมลงสู่พวังมันก็ยิงชั่วหน่อยมันหลบได้แต่ถ้าเทียบว่าถ้าลงพอวังแล้วเราทำบาปเอาคุณสมธรรมน้อยกว่าการที่ออกไปเพื่อเตือนคนที่กใจก็ไม่ต้องทําบาปไปรว้ผลพอวังมันเป็นผลมันเป็นทุกข์เลยเป็นผล้แลวก็ไปหลบกันอยู่อย่างนั้นแหละอาศัยนอนนะก็ทํายังไงไม่มีเครื่องอยู่เนี่ย เแบบเอเไม่มีเครื่องอยู่เราจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ไม่ได้จะอยู่กับพุ่อตคุณก็ไม่ได้จะอยู่กับธรรมะคุณสังฆะคุณอยู่กับพรหมพิหารก็ไม่ได้เอออยู่กับกายยกตาสติก็ไม่ได้มันไม่มีเครื่องอยู่เลยนะมนุษย์ตัวทั่วๆไปเนี่ยก็เลยนั่นแหละเอาวังนในการนอนนะทันนี้นก็พุ่งด้านไป ออกมาจากพวังก็พุ่งทํำนู่นทำนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปนอนออกมาก็พุ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปนอนอยู่แค่นี้แหละแล้วก็เปลี่ยนเรื่องราวเขาคิดว่าพักหลอกตัวเองไปโอ้วันนี้ขอพักหน่อยว่างั้พักหน่อยก็ไปทําอะไรเขาก็อึดอัดใช่ไหมเขาต้องทํางานเนี่ยเขาอยู่อย่างนี้เขาคิดว่าไม่ได้พักพอกลับไปพูดพักดีกว่ากลับบ้านเขขับรถทั้งวันเนี่ยเขาคิดว่าเขาพักเขาพักแล้วไปที่นั่นก็ไป นั่นแหละทำกิจกรรมทุกแต่เพราะเอิญอารมณ์นั้นเป็นเรื่องราวนั่นเป็นเรื่องราวที่นานๆเขาได้เขาชอบแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เขาเพิ่งเมาบอกวันนี้มันมันไม่ใช่จําเจอย่างที่ก็ทําจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตมันจําเจทุกวันสีเสียงกลิ่นรสผักผลพม้นี่มันออกจากมันไม่ได้นี่คือความจําเจของแต่โลกใช่ไหล้ล่นี่มนุษย์มันไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจเรื่องนี้อันเนี้ย ไอ้กินไงเนี่ยมันจําเจไหมละ่ะก็ข่อมตัวเองไปว่าอันนั้นอร่อยอันนี้อไม่อร่อยก็หลอกตัวเองไปใช่ไหมละ่ะที่จริงมันจําเจไหมละ่ะจําเจซ้ำซากอยู่นั่นแหละกินออกกินออกอยู่นั่นอยู่นี้นนะไม่มีอะไรหรอกเอาที่ใส่ให้ตัณหามันชอบไปตกแต่งสีบ้างเอาเสียงบ้างเอากลิ่นบ้างตกแต่งหลอกขมันไปหลอกอะไรหลอกใจไทยเป็นคนหลอกตัณหาเป็นตัวหลอกยอมใจไป มันจะได้เพิินมันว่ามันจะแต่จริงๆมันคือมันคืออะไรเนี่ยมันมันก็คือดินมันก็คือน้าําก็คือไฟคือลมคือสีอก็กลิ่นก็รสก็โอชะมันมีแค่นี้แหละใช่ไหมนะแปดอย่างธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมสีมีสีด้วยมีเสียงด้ยมีสีได้มีกลิ่นได้มีรสด้วย มีโอชามีตัววิตามินประเภทไหนอย่างไรประเด็นก็ปัญหามนุษย์รู้จักวิตามินที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันไปช่วยส่วนไหนของร่างกายไหมความรู้พอไหมที่เราจะอาทุกษัตว์ไปแก้ทุกษัตย์เนี่ยเพื่อมันบอเป็นไปได้เนี่ยั้นเถอะทำให้กายนี้เป็นไปได้างั้นเถอะมันจะได้ไม่วิปริตผิดเพีเ้ยนมากเกินไป ก็จะได้เป็นฐานปฏิบัติการในการที่จะฝึกตนเองให้ทันต่อกายนี้มันจะพังผ้าไปเนี่ยนะไนะอ้ทุนพมอเลยถ้ามันเข้าใจอย่างนี้เสียยมันก็จบแต่มนุษย์มันไม่ถูกฝึ ก, ถ, กถูกสอนเลยเ น, ะ ม, นมันก็เอาคำว่าชอบไม่ชอบเป็นตัวต่ามันไม่ใช่เอาว่าควรหรือไม่ควร ม, มันสปายะหรือไม่สปายะต่อร่างกาย มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยแล้วมันสัปปายาสมแาว่ามันพอดีไหมใส่เข้าไปพอดีไหมฟังดูแล้วก็เมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะทําให้สติสัมปชัญญะเนี่ยมันเดินหรือไม่เดินสะดวกหรือไม่สะดวกมันต้องรู้ขนาดนั้นนะไม่ใช่ไม่สนน่ะมันหิวจะจะกิน กินไปเสร็จปุ๊บ ก, ก็ไปแก้ไขปัญหากันต่อจริงไหมละ่ะมนันนวดก็จะเป็นแบบนี้ทั้งวันทั้งคืนก็เป็นวนเลยนีน่ปัญหานะครับเราอึกอัดก็ไปแก้กันแล้วก็นะครับมีโรคไขยเยอะๆเนี่ยไอความปัญญาที่มันรู้ไม่พอทษัตริย์มันเยอะจิไห มันมากมายสมุทัยก็มากอัตทะมากเลยนิโลดก็มีอักที่เยอะมีพยัญชนะที่มากมาร ก, ก็มีอักที่เยอะมีพญชนะที่มากแต่เราจะรอบรู้อย่างกว้างขวางแค่ไหนเพราะเปลี่ยนทุกข์สัตว์มึนกับ้านดิพอสมุทัยยสัจจามันเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามึนงงกับมางดิลแล้ว มันไม่รู้จะกําหนดนิโรธยังไงเลยกําหนดนิโรธไม่ถูกเลยที่จะออกจากมันตรงในจุดนั้นนะแล้วมาร์กที่มันจะสอดคล้องกับ น, นิโรธเดินไม่ถูกไม่รู้จะเดินยังแล้วก็ได้แค่มาร์กก็คือบางคนก็ได้แค่อินรีห้าบางคนก็ได้แค่ปราราห้าบางคนก็ได้แค่โพดชงเจ็ดบางคนก็ได้แค่มาร์กแปดบางคนก็ได้แค่ศีลสมาธิปัญญาไม่เข้าใจอ่ะท่องได้หมดเี่ยแต่เดินไม่ได้สักที ลองมือปฏิบัติไม่ได้ขึ้นไม่ได้สักทีใช่ไหมหลักการมันเป็นอย่างนี้นี่คือปัญหามากเลยปัญหาความไม่รอบรู้ในอริยสัจไม่ฉลาดในอริยสัจแล้วก็ไม่สามารถดําเนินไปตามมรรคสัจเพราะการไม่รอบรู้เพราะการไม่แทงตลอดอริยสัจเนี่ยมันถึงไม่เป็นอริยกรรมสักทีเข้าใจไหมล่ะนี่คือปัญหาเลยนะเป็นปัญหาใหญ่ของสัตว์โลกทั้งหมดแต่เราจับประเด็นตรงนี้ไม่ได้ยุ่งเลย ไปอีกยาวไปมองเห็นไหมแล้วจะทํำยังไงต่อเราต้องทำความเข้าใจให้ชัดยิ่งชัดมากเราก็ยิ่งปฏิบัติได้เลยอีกถ้าอย่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราจะจะดูดาขันห้าให้มันเป็นการเพิ่มกุศลแล้ว ลถอากุศลรูปแล้วก็ปฏิบัติต่อได้ทั น, นี้นํำมาทำสีวันนี้เข้าใจเรื่องสังขารว่าเราจะเพิ่มคูณสัทชาวิริยะคือตัวกุศลละทำในสังขารอันนี้ในตัวเวทนาเราจะในในในสี่ตัวที่เหลือรูปเวทนาสัญญาอุปยา อันเนี้ยอะไรที่มันเป็นกุศลอะไรที่มันเป็นปุศสนธิต ค, คือตัวอย่างเวทนามันก็จะมีสุขทุกเฉยเฉยใช่ไหมจ๊ะค่ะเวทนาตัววิบากเป็นวิบากเตัวผลเป็นตัวผลแล้ววิญญาณวิญญาณก็วิญญาณก็ไม่ใช่เป็นตัวเป็นถ้ามองก็คือวิญญาณเนี่ยก็แปลว่าเป็นประธานของนามธรรมเท่านั้นเอเขาไม่ได้มี อไม่ได้มีอิทธิพลเนี่ยอยู่ที่อำนาจของสังขารจะไปปรุงแต่งก็ดีเลตัวสังขารเป็นตัวหลักมันก็เหลืออิทอิ์สัญญาสัญญาก็ตัวมาร์คเครื่องหมายเข้ามาเนียมันก็มีอิทธิพลต่อเมื่อพอเราไปจําสิ่งไม่ดีไม่ดีไว้เยอะถ้าอย่างสิ่งที่ทําได้ก็คือมาร์คสัญญากับกุศลทั้งหมดที่เราทําให้มันเพื่อมันจะได้เป็นเพราะว่าสัญญามันเป็นแค่สองอันเองสัญญามันเป็นฝ่ายที่เป็น วิชาภาคยีสัญญาก็มีเป็นกุศลสัญญาก็มีเป็นอกุศลสัญญา ม, มนุษย์ที่ได้เปรียบ้าหน่อยก็คือมีกุศลสัญญาเยอะหรือว่าเราไม่ได้เอามาเลือกบ่อยๆถึงเรื่องกุศลสัญญาอันนี้เป็นตัวช่วยไหมต่อปะว่าเราเอากลับมาเลากฟิกมันช่วยได้ตรงที่ว่าเรา <c oughs> มันปเป็นเหตุใกล้ของสติ สัญญาที่มั่นคงการมากเครื่องหมายไว้ที่มั่นคงมันก็เลยเป็นเหตุให้า ง, า, งนานระลึกได้พอระลึกได้แล้วกุศลก็เกิดเงื่อนประเด็นด mm hmm. ก็ช่วยกั้แค่จิงเวดังนาก็เป็นตัวจิตตสังขารปรุงแต่จิต ด, ด้วยพอเกิดสุขเวดันาขึ้นมามันก็จะปรุงไปตามสุขนะ mm hmm. เกิดทุกเวดังนาขึ้นมาก็ปรุงไปตามความทุกข์นะ ก็เวขาเวทนามันก็ปรุงไปตามสภาพความสงบเวขาแล้วนะแม้เวทนาก็เป็นจิตธสังขารเป็นตัวคุมการคิดเหมืนกันแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้โดยตรงเป็นตัวที่เป็นตัวสังขารโดยตรงมันคือตัวกุศลนะกุศล ต, ตัวคุมการกระทำคุณเจ่นเจต น, น, นาโอ้มีอิทธิพลมาก ตั้งใจจะโกรธตั้งใจที่จะเมตตามีอิทธิพลมากตั้งใจที่จะโลภตั้งใจที่จะให้จะไม่มีอิทธิพลมากเนีครันี้ตั้งใจที่จะทําสิ่งที่ดีตั้งใจที่จะตัดต่อธรรมาอะไรเงี้ยมีอิทธิพลมากมันมีอิทธิพลมากในความชงใจความตั้งใจตรงนี้มันมีอิทธิพลก่อนนะมาทําทั้งดีและไม่ดีแต่ก่อนเราตั้งใจที่จะน้องไปในกาลตั้งใจมีอิทธิพลมไหมโอ้โหมันฉักพลันกระจายจริงๆของเราไปเยอะมากแต่ก็อนเราไม่เห็นเลยว่า มันเป็นหัวหนะาหัวหน้ากลุ่มนามาทำทั้งที่ดีและไม่ดีอพระเจ้าจึงว่าเจไดนาเป็นตัวกรรมแต่มันไปร่วมกับตัวอื่นเป็นมานมีอิทธิพลไอ้ตัวนี้นเป็นตัวคอยเคาะเลยว่าจะทำดีหรือไม่ดีทุกอย่างเจไดนาเป็นตัวกําหนดไหม ถุกกรรมได้ให้เจตานาว่าส้มโอเนี่ยเป็นศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ที่จัดเรียงมาถวายเยแล้วลำไยเนี่ยเป็นสติประฐานแล้วก็เชอรี่เนี่ยเป็นความเขียนนี่เลยค่ะใส่รียมง นี่คือสิ่งที่เราจะฝึกตนให้ได้กวาถวายครับปิมพเป็นไปเพื่ อ, อความพ้นทุกข์คือสิ่งที่เราจัดเรียงไว้โดยระลึกถึงข้อธรรมะน้อมบูชาพระรัตนตรัยโดยอานิสงส์แห่งการน้อมวัตถุทานเชื่อมโยงสู่ธรรมะคือ กลุ่มมหากษัตริย์กลุ่มโพธิปักเกียทํารรนี้ด้วยการที่เราแม้ของที่ถวายแน่าระธนัตไตรบูชาธนัตไตรเราก็น้อมเสวยงบูชาและลึกถึงสติปัฏฐานในต้นในการบูชาตรงนี้ย <c oughs> ที่เราตั้งใจในลักษณะนี้เราก็ตั้งเกใจจำนวนมาว่าขอจงเป็นปัจจัยให้ทัพพยาสามารถประชุม มักขสัตว์หรือโพธิปกักษ์เสรยคนี้โดยเร็วโดยสะดวกเห็นไหมวะหนึ่งแม่เราเรานำมาหาของพบเที่ยวของกิงของใช้เราก็นึกถึงธรรมะนั้นที่จะไปถวายด้วยไ อ, อ, อ้สงฆ์กานเอาสิ่งเหล่นบูชาจะเป็นปัจจัยทําให้เราเนะี่ยเข็นอะไรเนี่ยธรรมะมันเกิดหมดเลย ม, มันจะเป็นปัจจัยความพรทลุได้เร็วได้สะดวกขึ้นคือจริงๆที่เราทําอย่างนี้ก็คือเรา มาร์กอะไรไว้มาร์คผู้สนนามารคเนั่นแหละมารคเครื่องหมายไว้ในใจเข็ยนอะไรแล้วให้เรานึกถึงว่าถ้าสี่อย่างมันนึกถึงสติปติฐานนึกถึงอิทิบาสีถ้าห้าอย่างมันนึกถึงอินเซห้าพาราห้าใช่ไหมล่ะถ้าเจ็ดอย่างมันนึกถึงโพชฌงเจ็ดถ้าแปดอย่างมันนึกถึงมารคแปดถ้าเก้าอย่างมันนึกถึงโลกุตระธรรมเก้าถ้าสิบอย่างมันนึกถึงถ้าสาพระธรรมสิบประการของพระพุทธเจ้าหรือบรารมีสิบอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันเห็นอะไรพูดเนี่ยมันประชมแล้วก็เข้าใจตรงนู้นพอกุศลสัญญาตรงนี้เกิดขึ้นก็กระตุนตื่นทำให้เราไม่ลืมในการที่จะเจริญกุศลอันนี้เป็นเป็นอุบายวิธีอย่างดีที่สุดแต่ก่อนเราไม่เคยคิดอย่างนี้ใช่ไหเราคิดเรื่องการการมากุศตัวเนี้ยเราให้ห้าชิ้นเนี่ยเพื่อจะได้ คุณจะได้ติดในรสชาติคุณจะได้อะเร็ดอ ร, อร่อยนะใช่ไหมเนี่ยให้ห้าชิ้นเห็นไหมสีก็สวยเสียงก็พอกลิ่นก็หอมมันมไปอย่างนั้นเลยมันน้อมก็ไปเห็นอะไรน้อมไปหากรรมคุณหน้ามันมันเป็นอย่างนี้จิตแล้วก็เพลินอยู่กับมันเนี่ย บ่อยๆตลอดเวลาคือไปชําระเพื่อสุดท้ายให้เราเห็นอายกตัวอย่างเลยน<ม>ะครับว่าเวลาที่เราทําความเข้าใจอะไรหรือเจริญกุศลอะไรก็ตามเสร็จแล้วมันจะเป็นความอิ่มเอิบใจนี่พออิ่มเอิบใจสักพักมันจะมีไอตัวตัวเราขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็าเอาปัญป ญ, ญาว่ากลับไปดูว่ามันไม่ใช่เราทําไม่ใช่เราดี แต่มันเป็นสภาวะธรรมที่มีปัญญามีธรรมะสูงสุดมีปัญญาอันนี้ถือว่าชําระหรือเราต้องชําระถึงขั้นไหนที่มันจะบริสุทธิ์หมดจดก็ต้องชําระจนว่าเห็นว่ากิเลสมันไ ม, มไม่มีที่ตั้งคําว่ากิเลสไม่มีที่ตั้งคือเราต้องแยกแยะไปจนถึงเห็นเห็นอะไรจ บางทีเวลาเราระลึกถึงอะไรถ้าเราไม่ไม่ใช้ปัญญาไปชำระหรือมันก็เสร็จปัญหามาจน้าที่ควใช่หมครอไปครอบ น, นทุกเรื่องเป็นงนั้งแต่การที่เราจะจะจะชำระหรือจะรขควรใช้ปัญญาเจตนาเรื่องอะไรมันก็ต้องมันก็ต้องฟันในการที่ไม่ใช่สเปสปา อย่างยกตัวยอย่างเช่นว่าในชีวิตจริงของเราเนี่ยว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ที่ดินรถคนงานลูกสิ่งของต่างหลางนั้นแน่ดีเราเกี่ยวข้องัำพันกับสิ่งเหล่านี้ด้วยฐานมันดนะีเห็นไหมว่ามันเกี่ยวข้องมันเป็นหนาแ น, น่แต่พอต่อมาเรามารู้ว่าทํา มาฝึกปัญญาขึ้นมาแล้วก็กลับเปมองพอเราไปมองเราก็จะเห็นด้วยความเป็นกระแสชีวิตที่มีทั้งสองส่วน ท, ทั้งที่เป็นรู ป, ปรธรรมและนามรธรรมในส่วนของรูปรธรรมที่ประดับไปด้วยความเคลร่อนปันหลังนื้อนในขั้นตัวที่ใดก็เป็นต้นสุรพุทธคือประชุมลงสู่ดินนั่ไปลงที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแม้ในส่วนนามรธรรม ก็มีในส่วนของทั้งเวธนาขันธ์เรื่องยาสังขารปัญญาขันธ์รูปรูปะธรรมและนามธรรมที่เราเก็บของแต่ก่อนเรามองดูวความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเป็นเราเป็นของของเราแล้วก็มองไปที่ปัญญาลูกน้องลูกจุนักสัตว์เลี้ยงอะไรต่างเรามองกันเรื่อมตั้แต่พอปัญญามันเกิดขึ้นมามันมองได้สองสว่วนเข้าใจปัญญา ที่สมงแล้วก็เจาะไปถึงสภาวะธรรมก็ได้ในส่วนของรูปธรรมและในส่วนของนามธรรมมันเห็นถึงนามธรรมของท่านพวกนี้มีนามธรรมกลุ่มกุศลหรืออกุศลเกิดง่ายหรือไม่ง่ายมันก็เข้าไปเข้าใจกันและมในานามธรรมที่กลุ่มของอกุศลก็รู้ว่าเป็นไปกระตนาณ า, าทีท่จริตัวไหนมันเด่นไม่เด็น ส่วนานรมธรรมที่เป็นกุศลก็รู้ว่าท่านวันนี้เดินศรัทธาได้เดินความเพียรได้มีสติได้พอสมควรแต่ระดับปัญญาที่จะไปรู้เห็นระดับสภาวธรรมยังไม่ถึงอย่างไรเข้าใจว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่นานามธรรมที่ยังยึดอยู่ในจริยธรรมในคัลองคุณความดีอยู่มันก็เข้าไปเขียนว่ากระแสชีวิตนี้กําลังจะฟื้ตัวเองกําลังดําเนินไปตามเจียรตจำนงของตนเองเป็นตัวชักพานําพาไป การที่เข้าไปเข้าใจแบบละเอียดทีทั่วยังเนี้ยมันทำลายอะไรทาลายความหลงทำลายความไม่รู้มันเกิดความรู้ขึ้นแต่ละระดับระดับที่เข้าไปจอกไปทะลุทะวุถามว่าทำขนาดไหนก็ทำจนกว่าความรู้นั้นมันพัฒนาจนสามารถสกัดกั้นกิเลสได้เป็นสมุทเธทประหารใช่จนสามารถว่าเรามองสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ กิเลสมันก็ไม่ยอมใจเราได้เลยมันก็ต้องทําอย่างพึ่งขนาดนั้นถ้าตราบใดที่มันยังทําแล้วมันก็ละได้ชั่วคราวละกิเลสได้ชั่วคราวแล้วก็ทําอย่างไม่หยุดทําต่อไปเรื่อยๆใช่ไหยอันนี้เป็นกิจเป็นภารกิจของเราที่เราจะต้องชําระเราจะต้องฝึกก็คือลงมือทําข้อเดียวก็คือมนัดนเี่ก็มีสมาธิเป็นต้นมันก็ต้องทําอย่างนี้ใช่ไหมแม้ภายในก็ต้องชําระแม้ภายนอกก็ต้องชำระ แต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือภายในใช่ไหมภายในนี่แหละที่ต้องชำรายมากเมื่อชำรายภายในแล้วภายนอกเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ต้องไปเจาะจองเจาะจอมบุคคลแค่ภายนอกปุ๊บมันเข้าใจหมดเลยมันมันเป็นฐานเดียวกันมันเป็นฐานเดียวกันว่าโอ้เมื่อรู้ภายนอกในจ น, นชํานาญแล้วพอไปรู้ภายนอกแล้วหยิบเอากระแสชีวิตใครมาให้ครวรกันหรือหยิบแบบรวมๆกัน พน้นว่านึกถึงแบบรวมๆว่าภ า, ายใน5ภายในนอกเนี่ยมันก็สามารถวิจัยได้หมดเลยวิจัยความโลภเข้าความโกรธเข้าความหลงเข้าวิจัยสติสัพพัญญาเขามันวิจัยได้หมดเลยว่งออกไหมมันเป็นอย่างนี้เพราะมันมันต่างกันไหมมันไม่ต่างถ้าเป็นพระพุทธเจ้าหมดเลยถ้าเป็นอย่างเราปัญญาไม่ไหวมันไม่พอมันไม่พอไม่พอต่อชีวิต ท, ที่เหลือ การถึงระตัวเองให้มากแล้วก็ดึงภายนอกขึ้นมาไม่ต้องระบุตัวบุคคลอยูถ้ามัวไประบุแหม่ไม่หมดเลยัแตนแต่ว่าในขณะเดียวกันเวลาจะเจริญเมตตาเจริญกรุณาแล้วก็ดูคนนคนนีวน้วรเดินเมตตาในเวะลานี้เวะลานี้กัลปาอันนี้นก็สลับไปด้วยความชํานาญที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมด้วยสติสัมิชัญยานองไม่ตัณหาหานาที่ทีมันมีบทบาท อันนั้นก็ละคือดำเนินํามมากถ้าเรารู้ทันอย่างนี้มันก็ดําเนินไปพฤ้นปฏิบัติจริงๆเลยยังแต่ละส่นใหญ่เป็นทันเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ไม่ได้ฝุกมาแล้วไม่รู้ก็จะรู้ย่ามันต้องฝึกอยู่ร่าไป การฝึกในลักษณะนี้โอ้โหจริงๆมันมันมีผลอย่างรวดเร็วนะจริงๆแลวแต่เราไม่รู้แต่ก่อน ร, รู้ที่ไหนเรื่องแบบนาาี้่อรู้ไปเสร็จปุ๊บมาตั้งหลักไ ด, ด้อาจจะตั้งได้ไม่ทีแต่มันตั้งไดง้พอได้ยินกยายาณมิตรพูดปุ๊บอะตั้งได้ตอนนั้นก็บุญแล้วใช่แต่มันยังอ่อนแออยู่นี่ก็ยังต้องอาศัยก่น อาศัยกัดสักวันหนึ่งไม่ต้องอาศัยแล้วแข็งแรงเลราก็ใช้เสียงกัญญานนยม่ใชเอาม า, อ ย, าอย่างนี้อย่างี้ยต้องอาศัยเมอ<น>เอกโค อ, อยู่ยนี่ถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่ารู้ว่าเราจะต้องทำตัวเองเข้มแข็งนดไหนเข้มแข็งเงี้งงย จริงๆเมื่อคืนก็ฝันครับอาจาอฝันครับแต่ว่าตัญญาก็เกิดขึ้นแต่ว่าแต่ว่ามันมีมันมีช่วงหลุดเพลินไปกับคำาสัญญาแล้วก็บอกว่าแล้วก็พอได้สติปุ๊บในความฝันก็เออนี่แหละปัญหา้วก็กล่อมมันว่าตัญหาของเราเนี่ยมันโง่อย่างเลยเนาะ มันหลอกให้เราไปได้เวทนาแค่ส่วนนิดเดียวจากโทษที่มันเยอะแยะมากมายเนี่ยมันหลอกเนี่ยแล้วเราก็วิ่งตามเวทนาแค่นี้มันหลอกเราแต่ว่ามันเกิดขึ้นในฝันน้อืมเตมดีขึ้นเยอะอ ใช่ตอนฝันนะแต่ตอนตอนอาบน้ำอยู่ทิดตอนนั้นแต่ว่ามันจะไม่ได้ฝันอะไรฝันจำไม่ได้ว่าฝันอะไรมันเกิดขึ้นตอนอ้ะ ช่องล